ให้สาธุชนพุทธบริษัทได้หยุดภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาที่จะนำมาไปกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจ ให้หมดสิ้นไปได้การฟังธรรมนี้เป็นการสร้างปัญญาคือความรู้ความฉลาดในรนดับที่หนึ่งปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมัยปัญญาคือ ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาขั้นที่สองลำดับที่สองนี้ปัญญาระดับที่สองความรู้ระดับที่สองเรียกว่าจินตามะยะปัญญาความรู้ที่เกิดจากความคิดพิจารณาธรรมต่าง คือหลังจากที่ได้ยินได้ฟังทำมาแล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุของความทุกข์และการที่จะดับความทุกข์ได้นั้นดับได้อย่างไรก็จําเป็นที่จะต้องนําเอาไปทําการบ้านต่อคือต้องเอาไปคิดไปพิจารณาอยู่เนืองเนืองเพื่อ ที่จะได้ไม่หลงไม่ลืมเพราะการฟังธรรมปัญญาที่ได้จากการฟังธรรมนี่ถ้าฟังแล้วไม่นำอาไปคิดต่อไม่เอาไปทำการบ้านเดี๋ยวเราก็จะลืมได้เพราะว่าเราจะเอาความคิดของเราไปคิดในเรื่องต่างๆจนลืมมาคิด เรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่เอามาคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะลืมไปปัญญาขั้นที่หนึ่งคือสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้ถ้าไม่เอามาพัฒนาต่อไม่เอามาทำการบ้านปัญญาขั้นที่หนึ่งก็จะหายไปได้ การที่เราจะรักษาปัญญาขั้นที่หนึ่งไม้หายไปเราก็ต้องหมันทำการบ้านวันพิจารณาอยู่เนืองๆทำที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นอย่างไรปัญญาความรู้ที่เราต้องการที่จะนำาอามาใช้ในการกำจัดความทุกข์นี้ คือความรู้ในอริยสัจสี่เป็นธรรมที่แสดงบอกให้รู้ว่าทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ไหนาการที่เราจะไปดับความทุกข์ได้เราต้องรู้ที่ตั้งของความทุกข์ก่อนนะมันอยู่ที่ตรงไหนกันเหมือนกับเวลาที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะไปดับเพลิงนี้ จะต้องรู้ที่อยู่ของที่เกิดเหตุก่อนเพลิงไหม้ที่ตรงไหนอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ที่ถนนอะไรตำบลอะไรถ้ามีคนมาแจ้งบอกว่าไฟไหม้แต่ไม่ได้บอกว่าไหม้ที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรตำบลอะไรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไม่รู้ว่าจะไปหาบ้านที่ไฟกำลังไหม้อยู่ได้อย่างไร ฉันใดความทุกข์ของใจที่เกิดขึ้นในใจของพวกเหล่านี้มันก็มีที่ทำให้มันเกิดขึ้นมามพระเจ้าทรงสอนว่าทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์เกิดที่เกิดเกิดที่ตรงไหนเขาทรงทรงตัดว่าความทุกข์ของพวกเหล่านี้เกิดตอนที่เราแก่นั่นเองตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนที่เราตายตอนที่เราพัดพากจากสิ่งที่เรารักเราชอบตอนที่เราต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เกิดเหตุที่เกิดความทุกข์สิ่งแรกเราต้องรู้ถ้าเราต้องการจะดับความทุกข์เราต้องไปดับที่ตรงไหน เราต้องไปดับที่ตอนที่เวลาร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายมันตาย<ม>ตอนนั้นแหละจะเป็นตอนที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่<ม>นตอนนี้เรามีร่างกายแต่ร่างกายเราตอนนี้ยังไม่แก่<ม>ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วย<ม><ม>ยังไม่ตาย เราก็เลยไม่รู้สึกทุกข์กับร่างกายแต่อย่างใด mm hmm. แต่วันหนึ่งข้างหน้าไม่ช้าก็เร็ว mm hmm. เราจะต้องเจอกับทุกข์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีหรือการพัดพากจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เราลักเราชอบไปก็ดี หรือจากเหตุการณ์ที่เราจะต้องประสบจะต้องประสบกับเหตุการณ์หรือบุคคลต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็จะต้องเกิดขึ้นมาทันทีและพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุของการของความทุกข์เหล่านี้ว่ามันเกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากการมาเกิดนี่เอง ถ้าเราไม่มีร่างกายถ้าเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่มีร่างกายเมื่อเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องพัดพากจากสิ่งที่เรารักเราชอบไม่ต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่ลักไม่ชอบแล้วอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันทำให้เรามาเกิดมามีร่างกายกันพระาุธเจ้าก็ส่งโพ ส่งคนพบว่ามันเกิดจากความอยากของเรานั่นเองความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้แหละคือสาเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันเราไม่ได้เป็นร่างกายนะเราเป็นดวงวิญญาณ เวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้เราจะเป็นดวงวิญญาณ<น>ที่มีความอยากสามอย่างนี้มีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพระชนิดต่างๆมีความอยากมีอยากเป็นมีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอมีความอยากเหล่านี้อยู่ในดวงวิญญาณของพวกเราดว<น>งวิญ ญ, ญาณ น, นี้ก็จะไปหาร่างกาย เพราจเป็นจะต้องมีร่างกายเพราะอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะซึ่งมีร่างกายนี้จะมีรูปเสียงกลิ่นมีตาหูจมูกดิ้นกายให้เราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกัน น, นี่แหละคือเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันคือความอยากก a r m ตัญหาความอยากเสบรูปเสียงกลิด่นรดสผดทพะภาวาตัญหาความอยากมีอยากเป็น อยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากอยู่ไปนานๆแล้วความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้มันทําให้ใจต้องดิ้นรนอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาเกิดความอยากแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจอระุธเจ้าก็ทรง คนพบว่าความอยากเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถกําจัดมันได้หยุดมันได้ไม่จําเป็นที่จะต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นเหมือนกับไฟเนี่ยที่เกิดขึ้นนี้เราสามารถดับไฟได้ดับเชื้อของไฟความทุกข์เป็นไฟเชื้อของไฟก็คือความอยากต่างๆถ้าเราไปดับเชื้อของไฟ ไฟก็จะดับถ้าเราไปละเราไปหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราได้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ของใจเราได้และอะไรที่เป็นน้ำดับไฟน้ำดับความทุกข์ของใจก็คือปัญญานี่เองปัญญาที่มีการสนับสนุนด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิเพราะปัญญานี้ตามลำพัง ถ้าขาดการสนับสนุนของศีลและสมาธินี่จะเป็นเป็นปัญญาที่ไม่มีกำลังพอที่จะไปหยุดความอยากต่างๆได้เช่นปัญญาที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ถ้าเรายังไม่ได้ไปปฏิบัติศีลไม่ได้ไปปฏิบัติสมาธินี่ความรู้ที่เราได้รู้จากการได้ยินได้ฟังนี้มันมีกำลังไม่พอ ที่จะไปหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราได้เราต้องพัฒนาเอาความรู้ที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังนี้ไปพัฒนาต่อยอดอจากความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นความรู้ที่เราพิจารณาอยู่เนืองเนืองอเรียกว่าจินตามยปัญญาคือเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมนั่นเอง เพราะถ้าเราได้ยินได้ฟังทำเพียงครัง้งแรกครั้งเดียวนี้เราอาจจะลืมได้พอเรากลับบ้านไปเราไปทำธุระอย่างอื่นใจเราก็ต้องคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเราไม่ดึงใจมาคิดถึงเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังจากวัดจากการแสดงธรรมนี้เดี๋ยวเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็จะจางหายไปจากใจ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วได้เรียนรู้แล้วว่าที่เกิดที่ตั้งของความทุกข์อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ชาวพุทธเรามัน่นลาลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพลาดพลากจากกันเป็นธรรมดาย่อมมีการประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นธรรมดาร่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้หนีไม่พ้นเพราะถ้าเมื่อมาเกิดแล้วต้องเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ แลการที่จะหยุดการเกิดให้ได้ก็ต้องไปหยุดความอยาก<ะ>ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามตัณหา<ะ>ความอยากมีอยากเป็นอยากเล่าอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตและความอยากความอยากไม่เป็น<ะ>ความอยากไม่เป็นอยากไม่เป็นอะไรไม่เป็นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้น<ะ>ต้องกำจัดความอยากเหล่า น, นี้ออกจากใจให้ได้ กายถึงจะหายทุกข์ได้และการที่จะกาจัดความยากเหล่านี้ได้ต้องมีปัญญาที่มีกำลังสนับสนุนด้วยด้วยศีลด้วยสมาธินั่นเองปัญญาที่ไม่มีสมาธิไม่มีศีนสนับสนุนนี่ไม่มีกำลังพอ <Yeah. S 1> ปัญญาสองขั้นแรกนี้ยังไม่มีศีลไม่มีสมาธิเราสามารถศึกษา ปัญญาขั้นที่หนึ่งได้จากการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมอย่างที่เรามาฟังกันตอนนี้หรือเปิดหนังสืออ่านอ่านหนังสือธรรมะต่างๆเราก็จะได้ความรู้จากการได้ศึกษาแต่ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้มันยังเป็นความรู้ที่ไม่มีกำลังมากพอที่จะไปหยุดความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจได้แล้วถ้าไม่อ่านบ่อยๆ อ่านแล้ ว, แ ล, วแล้วไม่มาทบทวนเดี๋ยวความรู้ที่ได้จากการอ่านก็รู้จากการฟังมันก็จะจางหายไปมันก็จะลืมไปว่าเรามีทุกข์อยู่นะเรามีความแก่เรามีความเจ็บมีความตายรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเรามวัวแต่ไปทำมาหากินหาความสุขจากโลกกระทำทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญสุข ใจของเราก็จะโมแต่คิดแต่วิธีการหาโลกกระทำอยู่ตั้งแต่ตื่นจนหลับจนทำให้เราลืมมาคิดถึงว่าวันหนึ่งว่าเราวันหนึ่งนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแล้วปัญญาที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังหรือจากการได้ศึกษาก็จะหายไปถ้าเราไม่อยากให้ปัญญาที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนี้หายไป เราต้องมันทบทวนอยู่เรื่อยๆมันพิจารณาอยู่เนี่ยว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่เจ็บตายเราจะต้องพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเราชอบเราจะต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบแล้วถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆอยากไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะ เวลาเกิดความแก่แล้วอยากไม่แก่นี่มันจะทุกข์ทรมานใจถ้าไม่มีความอยากไม่แก่เวลาแก่ใจก็จะเฉยเฉยไม่ทุกข์ได้และการที่จะทำใจให้เฉยเฉยได้นี้จะเป็นที่จะต้องมีการฝึกทำสมาธิก่อนเพราะใจที่ไ ม, ไม่ได้รับการฝึกทำสมาธินี้จะไม่มีความสามารถที่จะอยู่เฉยเฉยได้ เวลามีเวลามีเวลามีอะไรมากระทบกับใจใจจะเกิดอาการทันทีถ้าสิ่งที่มากระทบเป็นสิ่งที่ชอบก็จะเกิดความดีอกดีใจขึ้นมาถ้าสิ่งที่มากระทบเป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีคือมีความยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆไม่สามารถที่จะ อยู่เฉยๆได้ความยินดีร้ายนี่แหละเป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจเพราะเมื่อเกิดความยินดีก็อยากจะได้เกิดการม่ตัณหาขึ้นมาเกิดภาวะตัณหาขึ้นมาอยากจะได้อยากจะมีขึ้นมาแล้เวลาเกิดความยินร้ายก็จะเกิดวิภาวะตัณหาเกิดความอยากไม่ไม่ให้มีอยากจะอยากไม่ให้มีอยากอยากไม่ให้เกิดขึ้นมา เวลาเจอสิ่งที่เราไม่ยินดีเราก็อยากจะให้มันหายไปมันก็เลยสร้างความทุกข์ใจให้กับเราแต่ถ้าเรามาฝึกทำใจให้เราเฉยๆกับสภาพต่างๆที่ใจของเราจะต้องพบเเจออะไรเราก็เฉยไปเจอความแก่ก็เฉยไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยไปเจอความตายก็เฉยไปเจ อ, ออะไรที่เราไม่ชอบก็เฉยไป เจออะไรที่เราชอบก็เฉยไปอย่าไปอยากได้ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้เราเฉยไม่ให้สร้างความอยากขึ้นมาได้ความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้อันนี้คือการการพัฒนาปัญญาจากขั้นที่สองให้ไปสู่ขั้นที่สามขั้นที่สองคือรักษาความรู้ที่เราได้ศึกษาได้เรียนมานี้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืม ให้เรารู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ตรงไหนเกิดจากอะไรและจะหยุดความทุกข์เหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วแล้วไม่หลงไม่ลืมแนละ้วเมื่อเรารู้แล้วว่าจะต้องหยุดความอยากและการที่เราจะหยุดความอยากได้านี้เราจะต้องมีกำลังมีสมาธิมีอุบเบกขาและการที่เราจะมีสมาธิมีอุบเบกขาได้เราก็ต้องไป ฝึกขาดกันไปฝึกไปปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวนาก<ม>ารภาวนานี้เป็นการสร้างความสงบคือสมาธิ<ม>ให้จิตมีกำลังที่จะเอาปัญญาที่ได้ศึกษาที่ได้พิจารณานี้มาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆ<ม>ถ้าไม่มีสมาธิ จะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้เพราะสมาธินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ mm hmm. เวลาเราต้องการจะหยุดรถยนต์นี้ถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกเราหยุดไม่ได้รถ mm hmm. ยนต์ก็จะต้องวิ่งไป mm hmm. แล้วก็ต้องไปชน mm hmm. ไปเกิดอบททุบัติเหตุขึ้นมาได้แต่ถ้าเรา mm hmm. แต่ถ้าเรามีเบรก พอถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดเราก็หยุดลถได้ช ja ั้นใดเบรกของใจก็คือสมาธินี่เองเราต้องมาสร้างเบรกมาติดเบรกให้กับใจเมื่อ <SI เราติดเบรกได้แล้วพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเจอความแก่แล้วก็เกิดความอยากไม่แก่ขึ้นมาใจก็ทุกข์ขึ้นมาพอเรารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่ เราก็หยุดความอยากไม่แก่ยอมรับความแก่อย่าไปปฏิเสธความแก่อย่าไปหนีความแก่หนีไม่พ้นหนียังไงก็หนีไม่พ้นพอเรายอมรับความแก่ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ยอมรับมันไปอย่าไปปฏิเสธอย่าไปหนีความเจ็บไข้ได้ป่วย อย่าไปอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปหรือไม่เกิดขึ้นมาถ้าเรามีสมาธิเราก็จะหยุดได้หยุดความอยากได้เมื่อเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปนี่คกอปัญญาขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนามาย์ปัญญาคือปัญญาที่ประกอบด้วยปัญญาที่ ได้พิจารณาอยู่เนืองๆคือจินตามายปัญญาควบคู่กับการมีการภาวนามีการปฏิบัติจิตตะภาวนาเพื่อสร้างสมาธิขึ้นมาให้กับใจสร้างอุเบกขาขึ้นมาให้กับใจพอใจมีสมาธิมีอุเบกขาใจจะวางเฉยได้จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีความสูญเสียก็ดีการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็ดีเช่นเวลาเจอคนเขาด่าเราเราก็จะเฉยได้ต่ไม่รู้สึกเดือดร้อนใครจะด่าใครก็จะชมเราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าเราเฝึกจิตของเราให้รู้จักอยู่นิ่งๆเฉยเฉยไม่ให้ไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่มากระทบ เมื่อใจอยู่เฉยๆใจก็ไม่สร้างความอยากขึ้นมาเมื่อไม่สร้างความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ใครจะด่าไรก็ไม่ทุกข์ตอให้ด่าแสบขนาดไหนร้ายกาจขนาดไหน<ม>ก็ไม่ทุกข์ก็เฉยๆไปหรือใครจะมาทําร้ายร่างกายอย่างไรมันใจก็ไม่ทุกข์เวลาทําร้ายร่างกายก็ทําให้ร่างกายเจ็บนั่นเองมันก็เหมือนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ใจก็ไม่ทุกใจก็เฉยๆได้เพราะใจ ย, ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย mm hmm. เมื่อมีร่างกายแล้ว mm hmm. ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตายไปเป็นธรรมดา mm hmm. ถ้าได้มีปัญญาระดับที่สามแล้วก็จะสามารถดับความทุกข์ได้ดั mm hmm. งนั้นสิ่งที่เราต้องทำกันก็คือต้องทำกันเป็นขั้นเป็นตอนไป เบื้องต้นเราก็ต้องมาสร้างปัญญาระดับที่หนึ่งก่อนถ้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร<อ>เราก็ต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมถ้าเราอยากจะกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไป<อ>เราก็ต้องรู้ว่าทุกข์เกิดเกิดขึ้นที่ตรงไหนเกิดเมื่อไหร่เกิดเวลาใดและอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมาและอะไรที่ ที่จะทำให้ความทุกข์นี้หายไปเราก็ต้องศึกษาก่อนเบื้องต้นที่ให้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ามาเพื่อที่จะรู้วิธีการต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ใจของเราสิ่งแรกเราก็มาฟังเทศให้รู้ปัญหาก่อนให้รู้ว่าปัญหาของเราก็คือความทุกข์ใจ ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีความทุกข์ใจกันต่อจะให้ร่ํารวยขนาดไหนเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็หนีไม่พ้นความทุกข์ใจหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกประธานาธิบดีมหาจากักรพรรดิกู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามที่มาเกิดในโลกนี้แล้วต้องมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะคน คนยากคนจนคนธรรมดาสามัญที่ทุกข์เท่านั้นทุกข์กันหมดทุกคนตั้งแต่รวยที่สุดจนกระทั่งมาถึงขอทานข้างถนนก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกคนเพราะมีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนใครมาเกิดแล้วนี่จะไปปฏิเสธความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้มันจะเป็นสิ่งที่จะตามมาวิธีที่จะทําให้ไม่ ต้องมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้ก็คือให้เราหยุดความอยากที่พาให้เรามาเกิดกันหยุดการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณห า, ะะ ห, าหยุดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหาความสุขจากโลกรธรรมอยากจะได้ความเจริญในโลกรธรรมเรียกว่าภาวะตัณหาอยากจะให้โลกรธรรมที่เราได้มาไม่เสื่อมเรียกว่าวิภาวะตัณหา อยากร่ำอยากรวยแต่ไม่อยากให้ความรวยนี้หายไปหมดไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่ไม่อยากให้ความเป็นใหญ่เป็นโตนี้หมดลงไปอยากให้คนสรรเสริญแต่ไม่อยากให้คนนินทาอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆแต่ไม่อยากได้ความทุกข์กที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้โลกธรรม ท, ทั้งสีนี้ อยู่ภายใต้ใตกฎของไตรลักษณ์ของอนิจจังทุกขังอนาัตตานั่นเองมีเจริญราบก็ต้องมีการเสื่อมราบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสารเสริญก็มีธรรมมีมนิทาเป็นธรรมดามีสุขจากรูปเสียงกลิภภ่นรสผดทพะก็มีความทุกข์ที่เกิดจากรูปเสียงกลิภภ่นรสผดพะเช่นเดียวกันหนีไม่พ้นมันเป็นของคู่กัน โล ก, กธรรมนี้เป็นของที่มาเป็นคู่มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากที่จะเจอกับความเสื่อมก็อย่าไปมีมันเสียอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับโลกกธรรมเราสามารถอยู่โดยที่เราไม่ต้องมีโลกกธรรมก็ได้เช่นพวกที่เป็นนักบวชนี่เขาไปบวชกันเขาสละโลกสละโลกกธรรมเขาไม่หา เขไม่แสวงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแต่เขาไปแสวงหาความสุขอี ก, อกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่เขาสามารถรักษาได้ป้องกันไม่ให้เสื่อมได้นั่นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจอันนี้แหละเป็นทางออกวิธีออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่อยากจะทุกกับโลกธรรมไม่อยากจะทุกกับร่างกายไม่อยากจะทุกกับความแก่ความเจ็บความตายต้องออกจากโลกธรรมต้องไม่ไปพึ่งไปเกี่ยวข้องกับโลกธรรมอย่างเจ้าชายศิทธธิธรรมนี้ท่านก็ตอนต้นท่านก็เกี่ยวข้องกับโลกธรรม ท, ท่านเป็นราชโอรสพระราชบิดาก็ห้อมล้อมพระราชโอรสด้วยความสุขของโลกธรรม ใหทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแก่เจ้าชายศิท ธ, ธาตะสร้างปราสาสามฤ ด, ดูให้อยู่หาคนบริสัทธ์บริวารมาคอยรับใช้หาเครื่องใช้ไม่สอยหาอะไรต่างๆมาบำรุงบำงเรอให้จิตใจมีแต่ความสุขตลอดเวลาแต่มันเป็นภาพรวงมันเป็นภาพครึ่งหนึ่งของโลกธรรมก็คือความเจริญในโลกธรรม แต่ไม่เคยให้เห็นอีกภาพหนึ่งคือภาพของความเสื่อมของโลกกระธรรมจนเจ้าชายสิทธัตถะเองจึงจำเป็นที่จะต้องไปเจอด้วยตนเองเพราะว่าพระราชบิดานี้ห้ามไม่ให้ออกไปดูนอกพระราชวางังห้ามไม่ออกไปเที่ยวไปภายนอกราชวางังเวลาถ้าจะไปต้องเป็นไปทางแบบทางการมีการเตรียมจัดสถานที่ต่างๆ ก็จะห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความเสื่อมของโลกธรรมไม่ให้เห็นคนแก่ไม่ให้เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนตายแล้วก็ห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังคือไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นโลกกรรมอีกด้านหนึ่งคือโลกของความเสื่อมของโลกกระทำแต่วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะก็หนีออกไปดูอยากจะไปดูสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่มีการ จัดฉากเตรียมต้อนรับไปก่อนว่าเป็นยังไงพอออกไปก็เลยไปเจอสัจธรรมความจริงของชีวิตไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเข้าแล้วก็ได้รับทราบว่าต่อไปร่างกายของพระ อ, องค์เองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นร่างกายของพระ อ, องค์เองต่อไปก็จะต้องเป็นคนแก่ผมผมออกหลังค่อมเดินแบบกระเพรกระเพิบ เป็นคนเจ็บ่ายได้ป่วยนอนน้องโอดคนค้างอยู่บนเตียง<ม>แล้วก็เป็นคนตายที่เขานําเอาไปเผาต่อไปพ<ม> อ, อได้เห็นความจริงของโลกธรรมอีกด้านหนึง่ง<ม>หรือลด้านของความเสื่อ ม, มก็เลยทําให้เจ้าชายสิทธัตถานี้เกิด<ม>ความทุกข์ใจเป็นอย่างมากจนไม่อยากที่จะมายุ่งกับเรื่องของโลกกระทอีกต่อไป<ม>ก็ไปเห็นนักบวช เห็นว่าได้ยินว่านักบวชนี้เขาเป็นผู้ที่ทิ้งโลกกระทำไปแล้วไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกกระทำเป็นความสุขที่เป็นการปฏิบัติจากการปฏิบัติกิจต a ภาวนาเพื่อทาใจให้สงบเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของทางโลก ดังนั้นวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่มีเหตุบังคับคือวันที่พระราชาเหสีได้คลอดพระราชโอรสออกมาพ อ, อพระเจ้าชายศรีสัทได้ทราบข่าวว่าได้ลูกแล้วได้ลูกชายพระองค์ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วบ่วงเกิดขึ้นแล้วท่านบอกลาหุนลาหุนนี่แปลว่าบ่วงคนที่มาเอาข่าวมาเล่าให้ฟัง พอได้ยินว่าเจ้าชายสิทธัตถะว่าบวว่าราหุลก็คิดว่าตั้งชื่อลูกชายว่าราหุลแต่ความจริงราหุล น, นี้แปลว่าบ่วงบ่วงที่จะมัดร้อยจิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ให้ออกจากโลกกะระทไปแต่เจ้าชายสิทธัตถะรู้ทันรู้แล้วว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องติดกับของโลกกะระมอย่างแน่นอนจึงตัดสินใจหนีออกจากวังไปในคืนนั้นโดยที่ไม่ไปบอกใคร เพรรู้ว่าถ้าไปบอกก็จะต้องถูกยับยั้งถูกห้ามปรามอย่างแน่นอนนี่แหนละคือคนฉลาดคนที่เห็นกับดักของกองทุกข์ว่าถ้ายังติดอยู่กับโลกกระทำอยู่ก็ย่ต้องเจอกับความทุกข์ถ้ายังอยากหาความสุขจากลาบยศจลาเสริญจากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆอยู่นี้ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ เพราะโลกกระทานี้มันไม่ใช่เจริญเพียงอย่างเดียวเวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราแต่วันในวันหนึ่งมันอาจจะพลิกกลายเป็นความเสื่อมได้ร่ลำรวยวันนี้พรุ่งนี้อาจจะล้มละลายก็ได้ท่ธุรกิจพังยับเยินก็ได้เพราะบางช่วงเราก็ไม่รู้ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ทางโลกอย่างเมื่อสามปีที่แล้วก็เกิดโรคโควิดขึ้นมาก่อนที่ธราหากิน ด, ด, ดิบได้ดิบได้ดี วันดีคืนดีก็ต้องปิดร้านไปเลยขายทบกิจกรรมไม่ได้ไม่มีลูกค้าเพราะลูกค้าออกจากบ้านไม่ได้ทุกคนต้องอยู่บ้านก่อนที่เคยมีเงินทองไหลมาเข้ามาก็หายวับไปหมดเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะคาดคิดได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วมากหรือน้อยกับทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับราบยศสรเสริญส จะไม่ใช่ว่าจะได้แต่ความเจริญในราบยศสารเสริญสุขเพียงอย่างเดียววันดีก็ดีมันก็จะพลิกกลายเป็นความเสื่อมขึ้นมาได้เสื่อมราบเสืยย่อมยศเจอนินทาเจอความทุกข์ต่างๆได้ถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ของโลกกระทก็จาเป็นที่จะต้องอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปหาความสุขจากโลกกระท ให้เปลี hmm. ่ยนวิธีหาความสุขจากโลกธรรมำไปหาความสุขท ja ี่เกิดจากความสงบเรียกว่าสันติธรรมความสุขที่เกิดจากสันติธรรมคือการทําใจให้สงบก็ต้องออกก็ต้องไปบวชกันไปอยู่แบบนักบวชเพราะถ้ายังต้องเป็นผู้ครองเรือนอยู่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับโลกกระทำต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองอะไรต่างๆอยู่ แต่ถ้าไปเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ต้องมีเงินทองก็อยู่ได้แต่ต้องอยู่แบบขอทานนักบวชนี่เขาสมัครใจไปเป็นขอทานวันหนึ่งเขาก็อาศัยชาวเบืองที่มีความเมตตาใจบุญที่อยากจะทำบุญกับเขาตอนเช้าเขาก็เดินเข้าไปในละแวกบ้านเดินไปบินทบาทไม่ไปขอไม่ไปเคาะประตูเรียกขอคนนั้นคนนี้ องแต่เดินไปให้แล้วว่าจะมาขอรับทานอยากจะไม่รบกวนจะไม่ขอถ้าไม่อยากจะทำก็ไม่ต้องทำถ้าอยากจะทำก็ทำแล้วแต่ศรัทธานนี่คือวิธีการอยู่ของนักบวชของผู้ที่ต้องการที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกธรรมไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเพราะเห็นโทษของการมีเงินมีทองว่ามันเป็นของไม่แน่นอนมันได้มา แล้วมันวันดีก็ดีมันก็หายไปได้หมดไปได้ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องด้วยเม่อยากจะเกี่ยวข้องกับโลกกระทำลาบยศสารเสวนสุขอยากจะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบอยู่ในปา่าอยู่ในเขาอยู่ตามลำพังปีกวิเวก<ม>แล้วก็มาคอยควบคุมใจควบคุมความคิดให้นิ่งให้สงบให้ได้เวลาใจนิ่งใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่ เหลือก ว, กว่าความสุขที่ได้จากโลกธรรมอันนี้คือเรื่องของของนักบวชนักบวชนี่เขาเขาสมักใจเป็นขอทานเพราะเขาไม่อยากจะมีเงินมีทองไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเงินทองเขาจอยู่ด้วยการให้ของผู้อื่นด้วยความเมตตาด้วยการทาบุญของผู้อนถ้าอยู่ไม่ได้เขาก็ยินดีที่จะตายถ้าอยู่แบบขอทานไม่ได้จะต้องอดตายเขาก็ยินดีแต่เขาจะไม่กลับไปอยู่กับโลกธรรม เขาจะไม่กลับไปหาเงินหาทองไปหาราบหายุทธ์หาสรรเสศน์หาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์ mm hmm. นี่แหละคือทางออกของผู้ที่อยากจะดับความทุกข์ทางใจที่ไปที่เกิดจากความอยากหาความสุขจาก โลกกรรมทั้งสี่หาความสุขจากลาบยศเสรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะถ้าต้องการที่จะหยุดความทุกข์หยุดความอยากการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็จาเป็นที่จะต้องไปอยู่แบบนักบวชไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาลาบยศเสรเสริญสุขเอาเวลาทั้งหมดมาทุ่มเทให้กับการหาความสงบของใจ เพราะการจะทำให้ใจสงบนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ปล่อยให้ไปคิดเลือเล่อยเปื่อยเพราะเวลาคิดแล้วมันมักจะคิดไปในทางความอยากอยากได้ลาบยศเสริญอยากไปเที่ยวอยากไปดูไปฟังอยากจะไปกินไปดื่มพอเกิดความอยากแล้วมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้มันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจ ถ้าหยุดไม่ได้ในที่สุดก็อาจจะต้องกลับไปหาความสุขจากราบยศสารเสริญสุขแล้วก็ต้องไปเจอความทุกข์เวลาที่ราบยศสารเสริญสุขเสริมไปดัังนน้แต่ถ้ามีความพยายามพยายามฝึกถ้ามีครูมีอาจารย์ที่ดีคอยสอนคอยเตือนคอยบอกอยู่เรื่อยๆว่าให้มันเจริญสติสตินี้เป็นเหตุที่จะทําให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิ การที่จะทำให้ใจนิ่งให้สงบได้ต้องมีสติละเลอกรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่น mm hmm. ระเลิกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ mm hmm. ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้เราก็จะหยุดความคิดได้เ mm hmm. บื้องต้นเราก็พยายามให้อยู่กับพุทโธในในทุกิริยบท ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเตยนขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก่อนที่จะลุกจากเตียงขึ้นมาก็เจริญสติก่อนเลยบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราเป็นนักบวชแล้วก็ไม่มีเรื่องราวจะต้องคิดถ้ายังเป็นผู้คองเรือนอยู่นี่ยังจาเป็นต้องคิดอยู่คิดว่าวันนี้วันอะไรต้องไปทางานหรือเปล่ามีธุระที่ไหนอะไรมันก็ต้องคิดไป พอมันคิดพอมันเริ่มคิดแล้ว ม, มันก็จะคิดยาวไปเลยมันจะไม่หยุดคิดแต่ถ้าเราไปเป็นนักบวชนี้เราไม่ต้องมีเรื่องอะไรต้องทำนะมีแต่เพียงเรื่องเดียวก็คือไปเลี้ยงปากเลี้ยงทองด้วยการไปรับอาหารจากคนที่เขาใจบุญเลี้ยงดูเราไปเท่านั้นเองนั้นไม่มีคมจำเป็นจะต้องคิดถ้าอยากจะหยุดคิดนี่ต้องไปอยู่แบบนักบวชกันจะเป็นแบบนักบวชชั่วคราวก็ได้นักบวชที่ถาวรก็ได้ เบื้องต้นส่วนใหญ่เราก็จะไปฝึกเป็นนักบวชชั่วคราวก่อนเช่นวันพระนี้เราอาจจะหยุดทางานแล้วเราก็จะได้ไปอยู่วัดพอเราไปอยู่วัดเราก็ไม่มีงานต้องทำนอกจากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราดูแลความสาดของที่พักที่อยู่อาศัยและเสื้อผ้าของเราเท่านั้นเองเราก็สามารถที่จะไม่ต้องไปคิดเรื่องราวต่างๆได้พอเราเตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธไปเลย พุทโธไปลุกขึ้นมาจากเตียงก็พุโทโธเดินไปก็พุโทโธเข้าห้องน้ําก็พุโทโธอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธรับประทานอาหารก็พุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรถ้าเราสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องเวลาเรานั่งสมาธิจิตก็จะไม่คิดอะไรไม่ฟุ้งซ่านและจะนั่งได้ได้แบบสงบได้อย่างรวดเร็วและเวลาสงบก็จะสงบได้นาน อันนี้สิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขจากความสงบมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นต้องคอยควบคุมความคิดให้ได้ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถ้าควบคุมได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ใจก็จะมีความสุขขึ้นมาจากความสงบพอมีความสุขจากความสงบแล้วทีนี้ความอยากที่จะไปหาความสุขจากโลกกระทำนี้ก็จะ จางหายไปจะอ่อนกำลังลงไปยังไม่ตายยังยังมีอยู่มันไม่ตายด้วยกำลังของสติของสมาธิมันก็แต่มันจะไม่มีกำลังเหมือนเมื่อก่อนที่จะมาคอยฉุดลางให้เราไปหาความสุขจากโลกธรรทอีก่อไป<ม>ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็สามารถหยุดมันได้เช่<ม>นพอเราไปนึกถึงโลกธรรมอยากจะไปหาเงินหาทองอยากจะไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของอะไร เราพอได้สติปั๊บเราก็หยุดแล้วเราก็ใช้คำํำบรลรคำพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธไปสักพักหนึ่งใจก็นิ่งสงบความอยากที่จะไปหาความสุขจากโลกธรรมมันก็จะหยุดชั่วคราวไปแต่มันจะไม่ตายมันจะไม่หยุดอย่างถาวรถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรเยเราต้องมาอาศัยปัญญาที่พุทธเจ้าทรงสอนนะปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้พิจารณานี่ว่า ว่าความอยากตัวที่ทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมานี้ก็คือการที่เราไม่มีสติคอยควบคุมทางที่เรามองไม่เห็นโทษของความอยากนั่นเองว่าความอยากนี้เป็นตัวที่จะมาทำให้ใจเราทุกข์ถ้าเราหยุดความอยากเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะหายไปอันนี้เราจะมารู้ในใ น, ในเมื่อเราได้ได้ยินได้ฟังธรรมได้ จากพระพุทธเจ้าเพราะความรู้อันนี้ไม่มีใครรู้ได้ในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดจรู้ทรงค้นพบได้ด้วยพระ อ, องค์เองก่อนหน้านั้นวิธีจะดับความทุกข์ของนักบวชก็ดับด้วยสติด้วยสมาธิเวลาเกิดความทุกข์ใจอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินไปดื่มไปหาลาบยศสารเสริญ ก็เข้าสมาธิไปเข้าฌานไปพอเข้าฌานไปเข้าสมาธิไปความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวแต่เวลาออกมาจากสมาธิความทุกข์ก็กลับมาใหม่พอเห็นร่างกายคิดถึงความแก่ของร่างกายคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายของร่างกายความทุกข์ก็กลับมาอไม่รู้ว่าจะดับความทุกข์นี้ได้อย่างไรรู้ว่าดับได้เพียงแต่เฉพาะเวลาเข้าสมาธิพอไม่คิดความทุกข์ก็ หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอมารับรู้เรื่องของร่างกายมารับรู้เรื่องของโลกประธรรมก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นใหม่กเกิดความอยากขึ้นใหม่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความอยา ก, กมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยา ก, อ, กอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากร่ำอยากรวย อยากไม่ยากจนอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปแต่เราแต่มองต้องมองความจริงล้ ว, ว่าเราห้ามมันได้หรือเปล่าสิ่งเหล่า น, นี้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครควบคุมบังคับได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศไม่มีใครไปสั่งให้ฝนตกแดดออกหรือห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ให้แดดออกได้ถึงเวลาฝนมันจะตกมันก็ตกถึงเวลาแดดมันจะออกมันก็ออก ถึงเวลาจะมีหน้าหนาวมันก็มันก็หนาวขึ้นมาถึงเวลามันจะร้อนมันก็ร้อนขึ้นมาเป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นเดียวกับการเจริญและการเสื่อมของสิ่งต่างๆการเจริญของร่างกายมันก็ไม่มีใครห้ามมันเจริญได้เวลาเกิดมาแล้วมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามตามเวลาของมันแล้วถึงเวลาที่มันจะเสื่อมก็ห้ามมันไม่ได้ร่างกายของคนเราเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลัง มันก็จะเริ่มกลายเป็นคนแก่กลายเป็นคนเจ็บแล้วกลายเป็นคนตายไปในที่สุดนี่คือเรื่องของสิ่งเรื่องของธรรมชาติที่ใจเรามาเกี่ยวข้องด้วยมาครอบครองมาเป็นเจ้าของชั่วคราวแต่เราไปคิดว่าเราจะสามารถที่จะควบคุมบังคับสิ่งที่เราได้มาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปแต่พอไปเจอความจริงแล้วก็จะรู้ว่าทำไม่ได้ พอทำไม่ได้ก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงที่จะทําให้ความทุกข์ทรมานใจหายไปเพราะไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ถึงเรื่องของกฎของตายหลักเรื่องของอนิจจังเรื่องของอนัตตาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่ไม่แน่นอนเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆค<ม>วบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ เรียกว่าอนัตตาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีไม่ว่าจะเป็นโลกธรรมก็ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปตลอดวันหนึ่งมันอยากจะเสื่อมมันก็เสื่อมมันอยากจะหายไปมันก็หายไป ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็ปรับใจเราให้รับกับสภาพความจริงเท่นั้นเองว่าเราฝืนธรรมชาติไม่ได้เราห้ามความจริงไม่ได้ห้ามให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้ามันจะแก่เราก็ต้องยอมรับมันทั้งนี้พอเรายอมรับมันได้ปั๊บความทุกข์ก็จะไม่เกิดทันทีเพราะใจเราจะไม่เราใจเราจะไม่อยากอีก่ต่อไปจะไม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะรู้ว่าอยากไปก็ไม่ได้เกิด ตามที่เราอยากอยู่ดีอยากให้ไม่แก่มันก็ยังแก่อยู่ดีอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีอยากให้มันไม่ตายมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่ทุกข์กาจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเวลาเวลาแก่ก็เฉยเฉยไม่ต้องไปย้อมผมไม่ต้องไปทาอะไรต่างๆไม่ต้องไปรักษาความสวยงามของร่างกายเพราะรักษาไม่ได้หรอก อาจจะเลื่อนเวลาไปหน่อยเดี๋ยวมันก็กลับมาแก่อยู่ดี<ม>เดี๋ยวก็งอกอยู่ดีย้อมผมกี่ครั้งเดี๋ยวมันก็ผมใหม่โผล่ขึ้นมามันก็ผมงอกอยู่ดี<ม>อยิ่งนั้นที่สุด<ม>คนคนแก่มากๆก็ยอมแพ้เองยอมปล่อยให้ผมมงอกมผมขาวไปเองพอยอมปล่อยแล้วก็สบายอยู่กับความแก่ได้ไม่ทุกข์กับความแก่<ม>เช่นเดียวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หนีมันไม่พ้นพยายามทำอย่างไรไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําไม่ได้ เดีวถึงเวลามันจะเจ็บมันก็ต้องเจ็บขึ้นมาถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายขึ้นมาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ไม่ได้เราก็ยอมรับความจริงอันนี้เท่านั้นเองพอเรายอมรับความจริงได้เราก็หยุดหยุดที่เราจะไปฝืนความจริงหยุดความอยาก อยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้ได้เพราะเราหยุดความอยากได้เพราะเรามีกําลังของสมาธิตอนนี้เรายังหยุดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ไปฝึกสมาธิกันเรายังเรายังอยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตายกันอยู่ทั้งทั้งที่รู้ว่าเวลาอยากเราจะเกิดความทุกข์ใจแต่เราก็ห้ามไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังถ้าเราอยากจะหยุดคำทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย เราก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะหยุดมันได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิในการจะฝึกสมาธิได้ก็ต้องไปเป็นนักบวชหรือไปไปเป็น ไ, ไปถือศีลบวชคือไปถือศีลแปดกันใช่เราเบื้องต้นเราอาจจะไม่ได้ไปเป็นนักบวชแบบแบบว่ามืออาชีพเราอาจจะทดลองเป็นมือสมัครเล่นก่อนอย่างที่พระเจ้าทรงสองนวะทุกวันพระไปเป็นนักบวชกันนักหนึ่งวันเป็นไปมือสมัครเล่นไปทดลองดูก่อนวนะ่า การอยู่แบบนักบวชนี้เป็นอย่างไรดีอย่างไรมีความสุขอย่างไรทำให้ความทุกข์ใจน้อยลงไปได้อย่างไร<ม>ทุกวันพระนี่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเข้าวัดกันเพื่อไปเป็นนักบวชกันเอาวัดไปถือศีลแปดไปอยู่แบบนักบวชอยู่แบบเรียบง่ายยินดีตามมีตามเกิดทางวัดมีอาหารอะไรก็กินไปตามมีตามเกิดไปแล้วก็เอาเวลามาคอยควบคุมใจควบคุม ความคิดให้มันหยุดคิดให้ได้แล้วก็เอามานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งสงบพอใจในิ่งสงบเกิดความสงบขึ้นมาใจก็จะเกิดความสุขเกิดความอิ่มความพอขึ้นมาทำให้เราสามารถสู้กับความอยากได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วถ้าเรามีปัญญาที่เราได้ไ ด, ได้จากการได้ยินได้ฟังจากการที่เราเอามาคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความเจ็บความตายไม่ได้ ห้ามเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ ห, ห้ามไม่ให้คนเขาด่าเราไม่ได้ห้ามไม่ให้คนเขาเกลียดชังเราไม่ได้เราก็เฉยๆไปยอมรับความจริงว่ า, ามันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศห้ามฝนตกไม่ได้ห้ามแดดออกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของที่มันไม่ใช่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปห้ามไปควบคุมบังคับได้แต่เราสามารถทําใจของเราให้อยู่เฉยๆได้ เพราเราได้ฝึกสมาธิได้ทได้หยุดความคิดได้ทำใจให้ของเรานิ่งได้ถ้าเราทำใจของเราให้นิ่งได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ได้เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อมาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเราเปลี่ยนไม่ได้เราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนนั้นคนนี้ให้เขาไม่ด่าเราเราห้ามเขาไม่ได้ ไม่ให้เขาร้ายกับเราเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะดีจะร้ายกับเรามันเป็นสิ่งที่เขาเป็นของเขาเองไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปไปเปลี่ยนเขาหน้าที่ของเราก็คือมาสอนใจของเราให้ยอมรับเขาให้ได้ยอมรับว่าเขาจะร้ายกับเราก็รับเขาได้เขาจะดีกับเราเราก็รับได้เพราะเราห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนใจของเราได้เปลี่ยนใจของเราให้ ให้ยอมรับกับสภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้และการที่เราจะรับกับสภาพต่างๆได้เราก็ต้องฝึกสมาธิกันนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้เฉยพอใจนิ่งเฉยเราจะมีความสุขแล้วพอเรามีความสุขแล้วทีนี้ใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรมันไม่สามารถมาทําลายความสุขที่เราได้จากความสงบนี้เราจะสามารถอยู่กับคนที่เขาดา่าเราได้อย่างสบายใจเพราะใจเรามีความสุขมีจากความสงบ ใครจะร้ายกับเราอย่างไรกันแจ้งเราอย่างไรถ้าใจเรามีความสงบมีความสุขเราจะไม่เดือดร้อนกับการกระทาของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรายังขาดกันเรามีปัญญาเราได้ยินได้ฟังธรรมพระเจ้าสอนว่าเราอยู่ในโลกของไตรลักษณ์อยู่ในโลกของอ น, นิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมมีทั้งเกิดมีทั้งดับ แต่มันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะดับมันก็ต้องดับแต่ใจของเรานี่สามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จักฝึกใจทําใจให้นิ่งให้สงบให้อยู่เฉยเฉยให้มีความสุขอยู่กับความสงบให้มีความสุขกับการอยู่เฉยเฉยให้ได้เท่านั้นเองถ้าเรามีความสุขจากการที่เราอยู่เฉยเฉยได้เราก็ไม่ต้องทําอะไร ที่เราต้องทํำลายกันอยู่วุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราอยู่ไม่สุขกันนั่นเองอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆแล้วมั น, มนหนุดเย็ ด, ยดลาคาญใจเหงาบ้างว้าวเวยบ้างเศร้าบ้างคิดถึงเพื่อนบ้างอยากจะทําให้นูน่นอยากจะทําให้นี่บ้างพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้าเรามาฝึกสติฝึกสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ พอเราอยู่ความยากต่างๆได้ใจเราก็มีความสุขกับหลักการอยู่อยู่เฉยๆอันนี้แหละวิธีที่เราจะทําให้เราอยู่อยู่เป็นสุขกันก็คืออยู่แบบอยู่แบบมีความสงบเท่านั้นถ้าใจไม่สงบแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้นิ่งได้ใจเราก็จะมีความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างมันจะเป็นอะไรมันไม่สามารถที่จะมา กระทบกระเทือนกับความสงบหรือความสุขที่เราได้จากความสงบนี้แต่อย่างใดอันนี้แหละคือปัญญาขั้นขั้นที่ขั้นที่สามก็คือเราต้องเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาเจริญก็ไม่ได้ห้ามให้เขาไม่เสื่อมก็ไม่ได้ เขาจะเจริญเขาก็จเจริญเขาจะเสือ่อมเขาก็จะเสื่อมเป็นไปตามวาระของเขาแต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราไม่ให้ไปอยากให้เขาเจริญหรือไม่ไปอยากให้เขาเสื่อมได้พอเราไม่มีความอยากแล้วในใจเราใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการเจริญกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วย ใครจะอยู่ใครจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปห้ามเขาไม่ได้ใครเขาจะชมเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ใครเขาจะด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้สรรเสริญนินทาก็าเป็นเรื่องของธรรมดาของโลกนี้ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกนี้แล้วว่ามันเป็นโลกของไตรลักษณ์ของอนิจจังไม่เที่ยงของอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เราสามารถอยู่แบบไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรารู้จักวิธีอยู่อยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆแล้วมีความสุขดังนั้นสิ่งที่เราตอนนี้ขาดกันก็คือขาดการฝึก จ, จ, จิตใจของเราให้อยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างมีความสุขเราต้องมาฝึกกันด้วยการมาบวชชั่วคราวกันเช่นวันพระวันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราเข้าวัดไปไปถือศีลแปดไปฝึกสติไปนั่งสมาธิ ก็ทําจิตใจให้สงบให้เย็นให้สบายให้มีความสุขพอจิตใจสงบเย็นสบายมีความสุขแล้วจิตใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วมันจะไม่สามารถมากระทบกระเทือนหรือมาทําลายความสงบและความสุขที่ได้จากการปฏิบัติปิตาภาวานานี้เลยถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเองแต่ได้ยินได้ฟังธทำแล้ะ เอาไปพิจารณาไม่ลืมแต่เวลาเจอเหตุการณ์จริ ง, รงๆเราก็ทำใจไม่ได้ <Yeah. S 1> เวลาเจอความแก่เราก็เศร้าเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เศร้าเจอความตายเราก็เศร้า <Yeah. S 1> เพราะเราไม่สามารถควบคุมความอยากของเราความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายของเราไม่ได้ควบคุมไม่ได้เพราะเราไม่ฝึกจิตกันเราต้องมาฝึกจิตฝึกสมาธิ พานั่งเฉยๆทำใจให้นิ่งเฉยๆไม่มีความรู้สึกอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้แล้วเวลาที่เราไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆนี้เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดอ่นนี้คือปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามนี้ต้องมีทั้งความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงของโลกว่าโลกนี้เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของอนิจจัง มีเกิดมีดับโลกของอนัตตาควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อันนี้เป็นปัญญาเป็นความรู้ที่ต้องมีมีการสนับสนุนด้วยการปฏิบัติสมาธิคือการฝึกจิตทําจิตให้นิ่งให้เฉยให้ได้เพราะถ้าเราสามารถทําจิตให้นิ่งให้เฉยให้ได้เวลาเราเจอกับความไม่แน่นอนของโลกนี้เราก็จะไม่ทุกข์เรายอมรับมันได้ โนี้เวลามันจเจริญเราก็รับมันได้เวลามันเสื่อมเราก็รับมันได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเบื้องต้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าโลกเนี้ยโลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกของความทุกข์เพราะมันมันเป็นเป็นเป็นโลกที่จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนแต่เราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเร า, เรารู้จักทาใจให้นิ่งเฉย ให้ยอมรับความจริงของของโลกนี้ให้ได้อย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้<ม>แล้วการที่จะยอมรับได้เราก็ต้องไปฝึกจิต<ม>ไปถือศีลแปดไปเป็นนักบวชชั่วคราวแล้วก็ไปทาสมาธิกันทาสมาธิตอนจิตใจของเราสงบนิ่งเย็นสบาย<ม>แล้วพอจิตเรานิ่งสบายแล้วทีนี้เจออะไรเราก็เฉยได้ไม่ทุกข์กับมันได้<ม><ม>อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกัน พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้สอนผู้บอกเราแต่ไม่สามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้ไปสร้างมันขึ้นมาสร้างปัญญาด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆหลังจากฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นํามาไปพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วขั้นที่สองเราก็เอาไปเราก็ไปหาเวลาไปปฏิบัติไปเจริญสตินั่งสมาธิการจะจะสตินั่งสมาธิได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องไปอยู่แบบนักบวช ไปถือศีลของนักบวชคือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็พยายามฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดแล้วก็มานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิถ้ามีสติควบคุมความคิดได้จิตก็จะนิ่งสงบพอจิตนิ่งสงบจิตก็จะมีความสุขเป็นอุเบกขามีอุเบกขาขึ้นมาต่อไปเวลาที่เราเจออะไรใจเราก็จะไม่ร้อนใจเราก็จะไม่ทุกข์ พะเราสามารถควบคุมใจเราให้นิ่งให้เฉยให้สงบได้ถ้าเรามีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาที่เราได้รับจากการได้ศึกษาได้พิจารณาอยู่เนืงองๆแล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่จะรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทำกันในวันพระนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรา ถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราต้องการพบกับความสุขที่ถาวรเราต้องมาหมั่นเจริญปัญญาทั้งสามขั้นนี้กันคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเนี่กว่าสุดะมายาปัญญาจะพอได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปเจริญต่อให้เป็นจินตามายาปัญญาให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่เรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดเป็นภาวนามายาปัญญาขึ้นมา พอเรามีภาวนามย่ปัญญาแล้วเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราได้ปัญญาสองขั้นแรกนี้ยังไม่มีกําลังพอสุตมย่ปัญญาได้ยินได้ฟังทำยังดับความทุกข์ไม่ได้จิตตาเมย่ปัญญาก็ยังดับความทุกข์ไม่ได้ต้องภาวนามย่ปัญญาต้องไปปฏิบัติจิตตภาวนาก่อนแล้วก็เอาปัญญาที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังจากการพิจารณามาใช้ แล้วเราก็จะสามารถดับความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของปัญญาที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ mm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวาหาปุราภิลปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกักปติ อิติตังปาติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโขวินัสสตุ มาเตภวัตวันตาราโยสุขิทีขายยโกภวะอภิวาตนาสีลทษะนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานเตอายุวโนโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม แต่เนื่องจากวันนี้เรามีชาวต่างชาติมากันก็จะสนทนาทำเป็นภาษาอังกฤษาถามตอบภาษาถามตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นท่านที่ถามภาษาไทยสำหรับวันนี้อาจจะต้องรอไว้วันข่าวหน้าวันเสาร์แล้วค่อยมาถามใหม่